การพิจารณาทุกขเวทนาในเวลาเจ็บไข้ได้ทุกพระทุดองค์ท่านชอบพิจารณาเป็นข้อวัดของการฝึกซ้อมสติปัญญาให้ทันกับเรื่องของตัวโดยมากกว่าเรื่องทุกขท้งทุกกายท้งทุกใจรายใดขณะที่กำลังเป็นไข้แสดงอาการระสำ์ระสายกระวนกระวายในวงพระปฏิบัติท่านถือว่ารายนั้นไม่เป็นท่าทางจิตใจเกี่ยวกับสมาธิและปัญญา ไม่สามารถประคองตัวได้ในเวลาจำเป็นเช่นนั้นไม่สมกับสร้างสติปัญญาเครื่องปราบปรามและป้องกันตัวไว้เพื่อสงครามคือทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากเหตุต่างๆแต่แล้วกลับเลีวไหลไร้มันญาติคาสติปัญญาแต่รายใดสัมรวมสติอารมณ์ได้ด้วยสติปัญญาไม่แสดงอาการทุรนทุรายในเวลาเช่นนั้นท่านชมและถือว่ารายนั้นดีจริงสมเกียรติ พระปฏิบัติที่เป็นนักต่อสู้สมกับปฏิบัติมาเพื่อต่อสู้จริงๆเห็นผลในการปฏิบัติของตนและประกาศตนให้หมู่คณะเห็นประจกักษ์โดยโทษากันอีกด้วยวงพระทุกง์ท่านถือกันตรงนี้เป็นสําคัญแม้องค์ที่ถูกภัยคุกคามนั้นท่านก็ถือท่านเหมือนกันว่าจะไม่ยอมแพ้แม้จนตายไปในเวลานั้นคือไม่ยอมแพ้ทางสติปัญญาอันเป็นเครื่องพิจารณาเพื่อหาทางออกอย่างปลอดภัยไร้กงังวล เมื่อสุดวิสัยจะอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงความจริงดังที่ท่านสั่งสอนไว้แล้วจึงเป็นผู้เชื่อต่อความจริงไม่ยอมถอยทัพกลับแพ้ค่าศึกที่เผชิญหน้าอยู่ในขณะนั้นต้องต่อสู้จนตายร่างกายทนไม่ไหวก็ปล่อยให้ตายไปแต่ใจขับสติปัญญาเครื่องรักษาและป้องกันตัวท่านไม่ยอมปล่อยวางพยายามฉุดลากกันระยนได้ ไม่ให้ไรผลในส่วนที่ตนมุ่งหมายสมกับเป็นนักรบหวังชัยชนะเพื่อเอาตัวรอดพาไปจอดในที่เหมาะสมและปลอดภัยจริงๆธรรมบทว่าธรรมโมหเวรกติธรรมจาริงนั้นเห็นประจักษ์อยู่กับใจผู้ปฏิบัติตามหลักความจริงไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอื่นแน่นอนนอกจากปฏิบัติแบบสเทินน้ำสเทิบกไม่จริงไม่จริงเท่านั้นผลก็ไม่ทราบว่าจะให้เป็นความจริงมาได้อย่างไร นอกจากจะมาขัดกับความจริงเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่จะพอสันนิษฐานได้เพราะคำว่าทำแล้วต้องเหตุขผลลงกันได้จึงจะเรียกว่าสว่าขาธรรมตามที่ประธานไว้พระธุดงท่านมุ่งปฏิบัติเพื่อเห็นผลในปัจจุบันทันตาจากาศาสนธรรมมากกว่าอื่นในบรรดาผลที่จะควรปรากฏในปัจจุบันเช่นสมาธิความสงบเย็นใจ ปัญญาการถอดถอนลูกศรคือกิเลส ป, ประเภทต่างๆออกจากใจการพิจารณาทุกขเวทนาในเวลาเจ็บไข้ได้ทุกพระธุดงค์ท่านชอบพิจารณาเป็นข้อวัดของการฝึกซ้อมสติปัญญาให้ทันกับเรื่องของตัวโดยมากกว่าเรื่องทุก์ทั้งทุกกายทั้งทุกใจรายใดขณะที่กําลังเป็นไข้แสดงอาการระสำมระสายกระวนกระวายในวงพระปฏิบัติท่านถือว่า รายนั้นไม่เป็นท่าทางคิดใจเกี่ยวกับสมาธิและปัญญาไม่สามารถประคองตัวได้ในเวลาจำเป็นเช่นนั้นไม่สมกับสร้างสติปัญญาเครื่องปราบปรามและป้องกันโวไว้เพื่อสงครามคือทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากเหตุต่างๆแต่แล้วกลับเลวไหลไร้มันญาติคาสติปัญญาแต่รายใดสํารวมสติอารมณ์ได้ด้วยสติปัญญาไม่แสดงอาการทุรนทุราย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 นอกจากปฏิบัติแบบสเทินน้มสเทินบกไม่จริงไม่จังเท่านั้นผลก็ไม่ทราบว่าจะให้เป็นความจริงมาได้อย่างไรนอกจากจะมาขัดกับความจริงเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่จะพอสันนิษฐานได้เพราะคำว่าทำแล้วต้องเหตุขับผลลงกันได้จึงจะเรียกว่าสวากขาธรรมตามที่ประธานไว้พระธุดงค์ท่านมุ่งปฏิบัติเพื่อเห็นผลในปัจจุบันทันตาจากาศาสนธรรมมากกว่าอื่น ในบรรดาผลที่จะควรปรากฏในปัจจุบันเช่นสมาธิความสงบเย็นใจปัญญาการถอดถอนลูกสอนคือกิเลสประเภทต่างๆออกจากใจซึ่งทั้งสองประเภทนี้เป็นความสุขเย็นใจขึ้นไปเป็นขั้นๆที่ควรจะเห็นได้ประจักษ์ใจในทิฏฐธรรมปัจจุบันท่านจึงหมายมัน่น ม, มั่นมั่นเพียรเพื่อรู้เห็นในปัจจุบันอันเป็นการตัดปัญหาข้อขัดข้องและกดทวงใจไปเป็นพัก ถ้าควรพ้นไปได้ในวันนี้เดือนนี้ปีนี้หรือชาตินี้ก็ขอให้พ้นไปด้วยความเพียรที่กำลังตะเกีเกยกตะกายอยู่อย่างสุดกำลังตลอดมาแม้ท่านอาจารย์เองก็อบรมพระเ น, นด้วยอุบายการปลุกจิตปลุกใจไม่ให้ท้อแท้อ่อนแอต่อหน้าที่ของตนทั้งในยามปกติและเวลาเจ็บไข้ได้ทุกท่านเทศปลุกใจให้เป็นนักต่อสู้เพื่อกู้ตัวเองให้พ้นภัยไปทุกระยะ ยิ่งเวลาป่วยไข้ด้วยแล้วรายใดแสดงอาการอ่อนแอและกระวนกระวายไม่สำรวมมันยากและสติอารมณ์ด้วยแล้วรายนั้นต้องถูกเทศอย่างหนักดีไม่ดีไม่ให้พระเน้นไปพยาบาลรักษาสิด้วยโดยเห็นว่าความอ่อนแอความกระวนกระวายและร้องครางต่างๆไม่ใช่ทางระ ง, งับโรคและบรรเทาทุกข์แต่อย่างใดคนดีๆเราทําเอาก็ได้ไม่เห็นยากเย็นอะไร ทั้งไม่ใช่ทางของพระผู้มีเพจอันอดทนและใข้โครนเลยไม่ควรนํามาใช้ในวงปฏิบัติจะกลายเป็นโรคระบาดติดต่อก่อคแคนกออกไปเป็นตัวอย่างไม่ดีแก่ผู้อื่นยึดเอาอย่างกลายเป็นโรคเลอะเทอะไปด้วการร้องครางทิ้งเนื้อทิ้งตัวเหมือนสัตว์จะตายดิ้นรนกระเสือกกระสนฉะนั้นเราเป็นพระและเป็นนักปฏิบัติอย่ายึดเอารัติสัตว์มาใช้จะกลายเป็นพระรัติสัตว์ศาสนาของสัตว์ไปทั่วทุกขนทุกแห่ง จนกลายเป็นพระโลกแตกาศาสนาโลกแตกไปซึ่งไม่ใช่ลทัทธิของพุทธศาสนาเลยอาการหนักหรือเบาแม้จะไม่แสดงออกมาคนดีมีสติพอรู้เรื่องและดูกรรันรู้เพราะการเจ็บไข้เดืทดรุ่ใครก็เคยมีเคยเป็นมาด้วยกันถ้าหายได้ด้วยการกระวนกระวายร้องครางก็ไม่ต้องรักษากันด้วยหยูกยาใครเป็นขึ้นผู้นั้นร้องครางขึ้นเสียไข้ก็หายไปเองยิ่งง่ายนิดเดียวไม่ต้องรักษาให้ลำบากและเสียเวลาเปล่าๆ นี่เวลาเป็นไข้เราร้องครางไข้มันหายไหมล่ะถ้าไม่หายจะร้องครางประกาศความโง่ความไม่เป็นท่าของตัวให้คนอื่นเบื่อกันทำไมนี่คือการเทศรายที่ไม่เป็นท่าต้องได้รับจากท่านและทำให้ท่านผู้อื่นรำคาญด้วยความไม่เป็นท่าของเธอองค์นั้นแต่รายที่เข้มแข็งและสงบสติอารมณ์ด้วยดีไม่แสดงอาการทุรนทุรายเวลาท่านไปเยี่ยมไข้ท่านต้องแสดงความยินดีด้วย แสดงความชมเชยและที่ได้ฟังอย่างจับใจและเพลินไปในขณะนั้นแม้ไข้าหายไปแล้วก็แสดงความชมเชยในลำดับต่อไปอยู่เสมอและแสดงความพอใจความไว้ใจด้วยว่าต้องอย่างนั้นจึงสมกับเป็นนักรบในสงครามของทุกไม่ต้องบ่นให้คาสึกว่ามามากหรือมาน้อยมาเท่าไรก็รบมันเท่านั้นจนสุดกําลังอาวุธและความสามารถขาดดินไม่ถอยทั บ, ก ล, บกลับยอมแพ้ให้คาสึกมาเหยียบย่ําซ้ำเติม เราเป็นนักรบในวงปฏิบัติไม่ต้องบนให้การเจ็บไข้ได้ทุกว่าทุกมากทุกน้อยทุกมีเท่าไรกาหนดรู้ให้หมดเพราะทุกมากหรือน้อยล้วนเป็นสัญจธรรมของจริงด้วยกันผู้ประสงค์อยากรู้ของจริงแต่กลัวทุก์ไม่ยอมพิจารณาจะรู้ของจริงได้อย่างไรพระพุทธเจ้าทรงรู้ของจริงก็เพราะการพิจารณาม่ใช่เพราะการร้องครางต่างๆดังพระไม่เป็นท่าประกาศขายตัวอยู่เวลานี้พระองค์ได้ตรัสไว้หรือเปล่าว่า ถ้าต้องการรู้ความจริงต้องร้องต้องคลคครคลางผมเรียนน้อยจึงไม่เจอทรรมบทนี้การร้องคลางมันอยู่ในคัมภีร์ไหนก็ไม่ทราบใครเรียนมากถ้าพบเห็นพระองค์ตรัสไว้ดังที่ว่านั้นนิมนต์นำมาบอกผมบ้างเผื่อจะไม่ต้องสั่งสอนใครให้พิจารณาและอดทนกันให้ลำบากต่างคนต่างร้องเอาคลางเอาให้เป็นของจริงขึ้นมาเต็มโล ก, กาธาตุนวจะได้เห็นนักปราที่สาเร็จมรรคผลโดยการคลนคลางขึ้นในโลก แข่งทาของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ได้สองพันกว่าปีแล้วว่าไม่เป็นของจริงลาสมัยไปแล้วทำของนักปราบรุ่นหลังนี้เป็นทำใหม่และจริงทันสมัยไม่ต้องพิจารณาให้ลําบากเพียงแต่ครั้งเอาครังเอาเท่านั้นก็สําเร็จมากผลรวดเร็วทันใจสมกับสมัยที่คนชอบผลดีมีความสุขด้วยการทําเหตุชั่วๆซึ่งกําลังจะเกลื่อนโลกอยู่แล้วต่อไปหน้ากลัวโลกจะขับแคบไม่มีที่ให้นักปราสมัยใหม่อยู่ ผมมันโหโบราณพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรก็เชื่อตามอย่างนั้นไม่กล้าลัดคิวกลัวเวลาเท้าพ้นจากพื้นแล้วจะกลับเอาศีรษะและปากลงฟาดกับพื้นตายแบบไม่เป็นท่าหน้าอนาใจเลือประมาณทาเหล่านี้จะได้ฟังเวลาท่านเทศสอนพระที่อ่อนแอไม่อดทนและเข้มแข็งต่อทุกเวทนาที่เกิดขึ้นในเวลาป่วยหรือเวลาฝึกทรมานตนด้วยตวปธรรมอย่ า, ยางใดอย่างหนึ่ง แล้วเกิดความอ่อนแอท้อถอยขึ้นมาในระหว่างการบาเพ็ญไม่สามารถพิจารณาด้วยอุบายต่างๆจนผ่านพ้นไปได้ด้วยความภาคเพียรของนักต่อสู้จึงมักได้ฟังธรรมประเภทเผ็ดร้อนจากท่านเสมอแต่ผู้สนใจจริงๆทำดังกล่าวกลับเป็นธรรมโอสถเครื่องปลุกประสาทให้เกิดความอาถรรพ์ร่าเริงในการบําเพ็ญไม่ลดหย่อนอ่อนกําลังลงง่ายๆมีทางกำชัยชนะได้เป็นพักๆจนถึงแดนแห่งความเกษมได้ด้วยธรรมเหล่านี้เพราะเป็น ทำปลุกให้ตื่นตัวตื่นใจไม่นอนจมอยู่กับความเกลียดคร้านอ่อนแออันเป็นทางเดินของวัตทุขประจําวัตบนระยะที่ท่านอาจารย์พักอยู่วัดน้องผือมีพระตายในวัดสององค์ตายบ้านนานายอีกหนึ่งองค์องค์แรกอายุราวกลางคนท่านองค์นี้บวชเพื่อ ป, ปฏิบัติโดยเฉพาะและปฏิบัติอยู่กับท่านอาจารย์แบบเข้าๆออกเรื่อยมาแต่สมัยท่านอยู่เชียงใหม่ และติดตามท่านจากเชียงใหม่มาอุดรสกนครแล้วมามรณภาพที่วัดหนองผือทางร่านจิตตะภาวนาท่านดีมากทางสมาธิส่วนทางปัญญากำลังเร่งรัดโดยมีท่านอาจารย์เป็นผู้คอยให้ในเสมอมาท่านมีนิสัยเคร่งครัดเด็ดเดี่ยวมากเทศก็เก่งและจับใจเพลาะมากทั้งที่ไม่ได้นังสือสักตัวเทศมีปฏิพานไหวพริบ ป, ปัญญาฉลาด สามารถยกข้อเปรียบเทียบมาสาธกให้ผู้ฟังเข้าใจได้อย่างง่ายง่ายแต่น่าเสียดายท่านป่วยเป็นวันโรคกระสอกกระแสะานานมาหนักมากและมรณะที่วัดหนองผือตอนเช้าเวลาประมาณ7จ็นาฬกาด้วยท่าทางอันสงบสมเป็นนักปฏิบัติทางจิตมานานพอสมควรจริงๆเห็นอาการท่านในขณะชวนตัวและสิ้นลมแล้วเกิดความเชื่อเริ่มสายในท่านและในอุบายวิธี ของจิตที่ได้รับการฝึกอบรมมาเท่าที่ควรก่อนจะมาถึงวาระสุดท้ายซึ่งเป็นขณะที่ต้องช่วยตัวเองโดยเฉพาะไม่มีใครแม้รักสนิทอย่างแยกไม่ออกจะเข้าไปเกี่ยวข้องได้จิตจะมีทางต้านทานสู้กับสิ่งเป็นภัยแก่ตนได้อย่างเต็มกำลังฝีมือที่มีอยู่และแยกตัวออกได้โดยปลอดภยัยเพราะวาระสุดท้ายเป็นฆ่าศัตรตูต่อตัวเองอย่างสาคัญใครมีอุบายฉลาดหรือขาดเลา่าเมามัวเพียงไร ก็ต้องมาเผชิญกับเหตุการณ์อันนี้จนได้ผู้ช่วยตัวเองได้ก็ดีไปผู้ช่วยตัวเองไม่ได้ก็จมไปและจมอยู่ในความไม่เป็นท่าของตนโดยไม่มีใครช่วยได้ฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าโกนุห้าโซกิมานันโดเป็นต้นซึ่งแปลเอาความว่าก็มืโลกอันความมืดด้วยราคะโทสะโมหะเหมือนไฟกองใหญ่ไหม้ลุกพลงอยู่ทั้งวันทั้งคืนเช่นนี้ ยังพากันโหรเระเฮฮาหน้ายิ้มอยู่ได้ทำไมไม่พากันสแสวงหาที่พึ่งเสียแต่ปัี้เล่าอย่าพากันอยู่แบบนี้เดี๋ยวจะพากันไปแบบนี้ตายแบบนี้แล้วก็สวยผลทนทุกข์แบบนี้กันอีกไม่มีสิ้นสุดได้ดังนี้ทั้งนี้ก็เพื่อเตือนหมู่ชนไม่ให้ลืมตัวจนเกินไปพระคาถาที่ทรงเตือนไว้นั้นฟังแล้วหน้าอับอายแทบมุดหน้าลงในดิน กลัวพระองค์จะทรงมองหน้าตนที่เพลิดเพลินไม่รู้จะตายอายก็อายอยากก็อยากรักก็รักเกลียดก็เกลียดเพราะใิสัยของปุถุชนมันหากดื้อด้านอย่างนี้จะไหนจะไรมาไม่ทราบจะทําอย่างไรจึงจะละได้นี้เหมือนเป็นคําที่ทูลต่อพระองค์ด้วยความละอายที่ตนละไม่ได้ตามคําที่ทรงตําหนิที่เขียนเรื่อง พระองค์ที่มรณภาพในวัดหนองผือแทรกลงไปในประวัติท่านบ้างเนื่องจากเห็นว่าเป็นคติแก่พวกเราอยู่บ้างซึ่งกำลังเดินทางไปสู่จุดนั้นด้วยกันได้พิจารณาเพื่อตัวเองในเวลา ต, ต่อไปขณะท่านองค์นั้นจะสิ้นลมท่านอาจารย์มั่นและพระสงค์ซึ่งกำลังจะออกบินธบาตได้พากันแวะเข้าไปพงธรรมสังเวช ท, ที่กําลังแสดงอยู่อย่างเต็มตาพอท่านสิ้นลมแล้วชั่วขณะหนึ่งซึ่งเป็นขณะที่ท่านอาจารย์กําลัง ยืนรำพึงอยู่อย่างสงบได้พูดออกมาด้วยท่าทางเคร่งขรึมว่าไม่น่าวิตวกับเธอหรอกเธอขึ้นไปอุบาที่อภิสราพรหมโลกชั้นหกเรียบร้อยแล้วนับว่าหมดปัญหาไปสำหรับท่านในครั้งนี้แต่เสียดายอยู่หน่อยหนึ่งถ้าท่านมีชีวิตยืดเวลาเร่งวิปัสสนาให้มากยิ่งกว่านี้บ้างก็มีหวังได้ขึ้นพรหมโลกห้าชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งแล้วเตลิดถึงที่สุดเลย ไม่ต้องกลับมาวกเวียนในวัตวนนี้อีกที่เป็นปัญหาอยู่มากเวลานี้ก็คือพวกพวกเราไม่ทราบว่าใครจะเตรียมไปชั้นไหนกันแน่บ้างจะไปชั้นเดรฉ า, านเปรตผีนรกอเวจีหรือชั้นมนุษย์เทวบุตรเทวทิดาอินพรหมหรือนิพานชั้นใดกันแน่ฉะนั้นเพื่อความแน่ใจจงดูเข็มทิศคือใจของตนของตนให้ดีว่าเบนหน้าไปทางใดมากเป็นทางดีหรือชั่ว ควรพิจารณาด้วยดีแต่บัดนี้ตายไปแล้วไม่มีทางแก้ไขได้อีกใครๆก็ทราบกันทั่วโลกว่าความตายคือแดนสุดวิสัยทำอะไรต่อไปอีกไม่ได้ดังนี้องค์ที่สองเป็นไข้ป่าท่านเป็นพระชาวอุบลนับแต่เริ่มป่วยรวมเวลาประมาณหนึ่งเดือนก่อนท่านจะมรณภาพมีพระองค์หนึ่งท่านพิจารณาเห็นเหตุการณ์ของท่านผู้ป่วยอย่างไรไม่ทราบวันนั้นตอนเย็น ท่านขึ้นไปกราบท่านอาจารย์และสนทนาธรรมกันในแง่ต่างๆจนเรื่องวกเวียนมาถึงท่านผู้ป่วยพระองค์นั้นได้โอกาสจึงกราบเป็นเหตุการณ์ที่ตนปรกการปรกฏถวายท่านว่าคืนนี้ไม่ทราบวาจิตเป็นอะไรไปกำลังพิจารณาธรรมอยู่ดีๆพอสงบลงไปปรากฏว่าเห็นท่านอาจารย์ไปยืนอยู่หน้ากองฟืนที่ใครกลอกล็อไม่ทราบเตรียมขนมากองไว้ว่าให้เผาท่านองค์นี้ตรงนี้เอง ตรงนี้หมอกว่าที่อื่นๆดังนี้ทําไมจึงปรากฏอย่างนั้นก็ไม่ทราบหรือผู้ป่วยจะไปไม่รอดจริงหรือแต่ดูอาการก็ไม่เห็นรุนแรงนักที่ควรจะเป็นได้อย่างที่ปรากฏนั้นพอพระองค์นั้นกราบปรียนจบลงท่านก็พูดขึ้นทันทีว่าผมพิจารณาทราบมานานแล้วอย่างไรก็ไปไม่รอดแต่เธอไม่เสียทีแม้จะไปไม่รอดสําหรับความตาย เหตุการณ์แสดงบอกเกี่ยวกับจิตใจเธอสวยงามมากสุขติเป็นที่ไปของเธอแน่แต่ใครๆอย่าไปพูดเรื่องนี้ให้เธอฟังเด็ดขาดเมื่อเธอทราบเรื่องนี้จะเสียใจแล้วจะสุดทั้งกายและเสียทั้งใจสุขติที่เธอควรจะได้อยู่แล้วจะพลาดไปได้เพราะความเสียใจเป็นเครื่องทำลายพออยู่ต่อมาไม่กี่วันพระที่ป่วยก็เกิดปุบ ป, ป, ปับขึ้นในทันทีทันใดตอ น, อนค่นคืน พอสามนาฬิกากว่า ก, าก็สิ้นลมไปด้วยความสงบจึงทำให้คิดเรื่องท่านอาจารย์เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆว่าพออะไรมาผ่านท่านคงพิจารณาไปเรื่อยๆในทุกเรื่องเมื่อทราบเหตุการณ์ชัดเจนแล้วก็ปล่อยไว้ตามสภาพของเสิ่งนั้นๆกลางวันวันหนึ่งมีพระเป็นไข่ามาเรียในวัดนั้นวันนั้นปรากฏว่าไข้เริ่มหนักแต่เช้าเจ้าตัวก็ไม่ไปบิณฑบาตและไม่ฉันจังหันด้วย พระที่ป่วยต่อสู้กับทุกขเวทนาด้วยการพิจารณาแต่เช้าจนบา่ายสามโมงไข้จึงสากตอนกลางวันที่ท่านกําลังพิจารณาอยู่ปรากฏว่ากําลังเรียบแรงอ่อนเพลีย ม, มากท่านเลยเพ่งจิตให้อยู่กับจุดใดจุดหนึ่งของทุกขเวทนาที่กําลังกําเริบหนะักโดยไม่คิดทบสอบแยกแยะเวทนาด้วยปัญญาแต่อย่างใดพอดีเวลานั้นเป็นเวลาที่ท่านอาจารย์ท่านพิจารณาดูพระองค์นั้น กำลังปฏิบัติอยู่อย่างชัดเจนแล้วย้อนจิตกลับมาตามเดิมพอบ่ายสี่โมงท่านที่ป่วยมาหาท่านอาจารย์พอดีท่านก็ตั้งปัญหาถามขึ้นทันทีโดยพระนั้นไม่ทราบสาเหตุบ้างเลยว่าทำไมท่านจึงพิจารณาอย่างนั้นเล่าการเพ่งจิตจ้องอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ปัญญาพิจารณาแยกแยะกายเวทนาจิตให้รู้เรื่องของกาลกันท่านจะทราบความจริงของกายของเวทนา ของกิจได้อย่างไรแบบท่านเพ่งจ้องอยู่นั้นมันเป็นแบบปือสีแบบหมากัดกันไม่ใช่แบบพระผู้ต้องการทราบความจริงในธรรมทั้งหลายมีเวทนาเป็นต้นต่อไปอย่าทำอย่างนั้นมันผิดทางที่จะให้รู้ให้เห็นความจริงทั้งหลายที่มีอยู่ในกายในเวทนาในกิจตอนกลางวันผมได้พิจารณาดูท่านแล้วว่าท่านจะปฏิบัติอย่างไรบ้างกับทุกเวทนาที่กาลังแสดงอยู่ในเวลาเป็นไข่ พอดีไปเห็นท่านกําลังเพ่งจิตจ่ออยู่กับเวทนาเฉยๆไม่ใช้สติปัญญาคลี่คลายดูกายดูเวทนาดูจิตบ้างเลยพอเป็นทางให้สงบและถ อ, ถอนทุกขเวทนาในเวลานั้นเพื่อใข่จะได้สงบลงดังนี้การอนุเคราะห์เมตตาแก่บรรดาสิทธิท่านไม่ได้เลือกการสถานที่แต่อนุเคราะห์ด้วยวิธีต่างๆตาม ท, ที่เห็นสมควรจะทําได้เมื่อไรและแก่ผู้ใดท่านเมตตาอนุเคราะห์อย่างนั้นเสมอมา บางทีท่านก็บอกตรงๆว่าท่านองค์นี้ไปภาวนาอยู่ที่ธรรมโน้นดีกว่ามาอยู่กับหมู่คณะอย่างนี้นิสัยท่านชอบถูกดัดสันดานอยู่เป็นนิดนี่ขอไปให้เสือช่วยดัดเสิบ้างจิตจะได้กลัวและมอบสงบลงได้พอเห็นอัตเทนธรรมและอยู่สบายบ้างอยู่อย่างนี้ไม่ดีคนหัวดื้อต้องมีสิ่งแข็งๆคอยดัดบ้างถึงจะอ่อนเ ช, เช่นเสือเป็นต้นพอเป็นคู่ทรมานกันได้ คนกลัวเสือก็ต้องเอาเสือเป็นครูดีกว่าอาจารย์ที่ตนไม่กลัวเป็นครูกลัวผีก็ควรเอาผีเป็นครูคู่ทรมานจิตกลัวอะไรก็เอาสิ่งนั้นเป็นครูคู่ทรมานจัดว่าเป็นผู้ฉลาดในการฝึกทรมานตนพระองค์นั้นแต่ก่อนที่ยังไม่บวชเธอเคยเป็นนักเลงมาแล้วจึงมีนิสัยกล้าหาญและตรงไปตรงมาว่าจะอยู่ต้องอยู่ว่าจะไปต้องไปและมีนิสัยหัวรื้ออยู่บ้าง แต่ดื้อแบบพระพอได้รับโอวาทอย่างเด็ดๆเช่นนั้นแล้วเธอก็ตัดสินใจจะไปทําตามคําที่ท่านบอกโดยให้เหตุผลแก่ตัวเองว่าพระขนาดท่านอาจารย์มั่นนี้จะบอกเราไปให้เสือกินนั้นเป็นไปไม่ได้แน่ๆเราต้องไปอยู่ถ้ำนั้นตามคําที่ท่านบอกตายก็ยอมตายไม่ต้องเสียดายชีวิตเพื่อได้เห็นเหตุเห็นผลในคําที่ท่านบอกว่ามีความจริงมากน้อยเพียงไร เราเคยได้ยินแต่คนอื่นบอกเล่าว่าท่านพูดอะไรต้องมีเหตุผลแฝงอยู่ในคำพูดนั้นอย่างสมบูรณ์เสมอไปคือท่านพิจารณาด้วยความละเอียดถี่ถ้วนแล้วถึงได้พูดออกมาผู้ที่สร้างความหมายของท่านพยายามปฏิบัติตามย่อมได้ผลทุกรายไปก็คำที่ท่านพูดกับเราคราวนี้เป็นคำพูดที่หนักแน่นมากซึ่งประกอบด้วยเมตตาพร้อมทั้งความเห็นแจ้งภายใน พระหนึ่งท่านควักเอาหัวใจเราไปขยี้ขย้ำดูจนทราบเรื่องทุกอย่างแล้วถ้าเราไม่เชื่อและปฏิบัติตามท่านเมตตาบอกอย่างตรงไปตรงมาในคราวนี้เราก็ไม่ใช่พระเราก็คือนายอะไรดีๆนั่นเองอย่างไรก็ตามเราต้องไปอยู่ในถ้านั้นแน่นอนในครั้งนี้จะตายก็ตายไปเมื่อไม่ตายขอให้รู้ธรรมแปลกประหลาดใงที่นั้นจนได้ คำพูดท่านบ่งบอกชื่อเราอย่างชัดเจนไม่มีเงื่อนงาแฝงอยู่เลยแม้คำที่ท่านว่าเราหัวดื้อไม่ยอมลงใครง่ายๆนั้นก็เป็นเครื่องวัดความถูกต้องได้อย่างสมบูรณ์แล้วเรายังไม่สามารถรู้เรื่องเราได้เท่าท่านเลยเท่าที่ทราบบ้างก็เป็นดังท่านว่าจริงๆเราจึงเป็นคนชนิดที่ท่านว่าร้อยเปอร์เซ็ฉะนั้นอุบายที่ท่านบอกเครื่องทรมานคือเสือให้เราจึงเป็นคำที่มิควรขัดแย้งอย่างยิ่ง นอกจากจะปฏิบัติตามท่านเท่านั้นความจริงท่านองค์นี้มีนิสัยหัวดือ้อไม่ลงใครง่ายๆดังท่านอาจารย์ว่าจริงๆพอเธอนำคำพูดของท่านไปคิดเป็นที่ปลงใจแล้ววันหลังก็มากราบปลาท่านไปทำนั้นพอขึ้นไปกราบท่านถามทันทีว่าท่านองค์นี้จะไปไหนเห็นครองผ้าเต็มยศมาหาทานองจะออกแนวรบยางเอาจิงเอาจังเธอตอบท่านตามนิสัยว่า กระผมจะไปตายในถ้าที่ท่านอาจารย์บอกให้ไปท่านอาจารย์ผูดส่วนขึ้นมาทันทีว่าผมบอกให้ผมบอกท่านให้ไปตายในถ้านั้นจริงๆดังท่านว่าหรือผมบอกให้ท่านไปภาวนาต่างหากเล่าเธอตอบท่านว่าความจริงท่านอาจารย์บอกกระผมให้ไปภาวนาต่างหากไม่ได้บอกให้ไปตายแต่กระผมทราบจากพระท่านเราฟังว่า ถ้ำนั้นมีเสือโคร่งอย่าอยู่ในถ้ำข้างบนของถ้ำที่กระผมจะไปอยู่นั้นเป็นประจำซึ่งถ้ำนั้นอยู่ไม่ห่างจากถ้ำที่กระผมจะไปอยู่นักเลยและทราบว่ามันเคยเข้าเข้าออกขึ้นขึ้ น, นลงลงถ้ำนั้นเสมอเวลามันจะไปเที่ยวหากินที่ไหนก็ลงมาผ่านหน้าถ้ำที่กระผมจะไปพักเสมอจึงแม่จึงไม่แน่ใจในชีวิตเวลาไปพักอยู่ที่นั้นฉะนั้นเวลาท่านอาจารย์ถาม กระผมจึงเรียนตอบตามความรู้สึกที่หวาดตอมันอยู่เสมอมาท่านถามว่าก็ทำนั้นเคยมีพระไปอยู่มาแล้วหลายองค์และหลายครั้งก็ไม่ปรากฏว่าเสือมาเอาท่านไปกินแต่เวลาท่านไปอยู่ที่นั้นทําไมเสือจะมากวาดเอาไปกินเล่าเนื้อท่านกับเนื้อพระเหล่านนั้นต่างกันอย่างไรจึงทําให้เสือกลัวและกล้าและหิวโหยอยากกินต่างกันนักเล่าท่านไปได้เนื้อหอมหวานมาจากไหนเสือถึงได้ชอบนะัก ถึงกับต้องจดจ้องมองดูและคอยจะกินเฉพาะท่านเพียงองค์เดียวเท่านั้นจากนั้นท่านก็อบรมสั่งสอนเกี่ยวกับมายาของใจที่หลอกลวงคนได้ร้อยแปพันในยากที่จะตามทันได้ง่ายๆถ้าไม่ใช่นักทดสอบและวิพากษ์วิจารณ์จริงๆจะทรมานใจดวงแสนกลืนก้อนหยายหายพย์ได้ยากนี่ยังไม่ถึงไหนก็ยอมเชื่อกิเลสกระสิบใจยิ่งกว่าเชื่ อ, ออาจารย์เสียแล้วจะไปรอดหรือท่าน ความตายนั้นพวกเรายังไม่เคยตายกันแต่โลกกลัวกันมากส่วนความเกิดอันเป็นเหยื่ อ, อรอบปลาทําให้ความตายปรากฏตัวขึ้นมาไม่ค่อยมีใครกลัวกันใครๆก็อยากเกิดกันทั้งโลกไม่ทราบอยากเกิดอะไรกันนักหนาเท่าที่เกิดมาเพียงร่างเดียวก็แสนทุกข์แสนกังวลพออยู่แล้วถ้ามนุษย์เราแยกแขนเกิดได้เหมือนแขนงไม่พ่ายแล้วก็ยิ่งอยากเกิดกันมาก เพียงคนเดียวก็อยากแตกแขนงออกไปเป็นร้อยคนพันคนโดยไม่คิดถึงเวลาจะตายเลยว่าจะพร้อมกันกลัวความตายทีละตั้งร้อยคนพันคนโลกนี้ต้องเป็นไฟแห่งความกลัวตายกันจนไม่มีที่อยู่แน่แนเลยเราเป็นนักปฏิบัติทำไมจึงกลัวตายกันกนักยิ่งกว่าคราวาสที่ไม่เคยได้รับการอบรมมาเลยและทำไมจึงปล่อยใจให้กิเลสย่ำยีหลอกหลอนจนกลายเป็นคนเส้นคิดไปได้ทั้งที่ความคิด และสติปัญญามีอยู่ทำไมจึงไม่นำออกมาใช้เพื่อขับไล่กิเลสกองต้มตุนที่ซ่องสมอยู่ในหัวใจให้แตกกระจายออกไปบ้างจะได้เห็นความโง่เขลาของตัวที่เคยมัวเมาเฝ้ากิเลสมานานไม่เคยเห็นลิดของมันสนามชัยของนักรบก็คือความกล้าตายในสงครามนั่นเองถ้าไม่กล้าตายก็ไม่ต้องเข้าสู่ในรบความกล้าตายนั่นแลเป็นทางมาแห่งชัยชนะฆ่าศึกศัตรู ถ้าท่านมุ่งจอแดนพนทุกข์ด้วยความเห็นทุกข์จริงๆท่านก็ต้องเห็นความกลัวตายนั้นว่าเป็นกิเลสพ่อพูนทุกขบนหัวใจแล้วตามแก้ไขกันที่สนามชัยอันเป็นที่เหมาะสมดังที่ผมชี้บอกท่านก็จะเห็นโทษแห่งความกลัวว่าเป็นตัวขยาวก่อกวนใจให้กระเพื่อมขุนมัวและเป็นทุกข์ในวันใดหรือเวลาหนึ่งแน่นอนดีกว่าท่านจะนั่งกอดนอนกอดความกลัวตายนั้นไว้เผาหนหัวอก ให้เกิดความทุกข์ร้อนนอนค้างอยู่ในใจไม่มีวันปลดปล่อยได้ดังที่เป็นอยู่เวลานี้ท่านจะเชื่อทำเชื่อครูอาจารย์ว่าเป็นความเลิอดประเสริฐศักดิ์สิทธิ์หรือท่านจะเชื่อความกลัวที่กิเลสปล่อยมายั่วหัวอกให้มีความสะทกสะท้านหวั่นไหวจนไร้สติปัญญาเครื่องปลดเปรื้องแก้ไขตนมองไปทางไหนมีแต่เสือจะมากัดมาฉีกไปกินเป็นอาหารอยู่ทํานองนั้นนิมนต์นาไปคิดให้ถึงใจ ทาที่ผมเคยปฏิบัติแต่สันดานตนและเคยได้ผลมาแล้วก็มีดังที่พูดไทยท่านฟังนี้แลนอกนั้นผมยังมองไม่เห็นขอจงคิดให้ดีตัดสินใจให้ถูกนับแต่ขณะที่ท่านเทศกันหนักๆให้ฟังแล้วเธอว่าขณะนั้นใจเหมือนจะออกแสงแผลว่าขึ้นโดยความกล้าหาญเพราะความปิติในธรรมพอท่านเทศจบลงก็กราบลาท่านลงมาและเตรียมตัวออกเดินทางไปถ้าในขณะนั้น เมื่อไปถึงถ้ำโดยความกล้าหาญและเอิบอิ่มด้วยปิติยังไม่หายก็ปรงบริหารลงจากบนบา่าเที่ยวดูทําเลที่พักตามบริเวณ น, นั้นแต่ตาเจ้ากรรมใจเจ้าเวรทำให้ระลึกถึงเสือขึ้นมาได้ว่าท่า น, นี้มีเสือพร้อมกับสายตาที่มองลงไปพื้นบริเวณหน้าถ้ำก็ไปเจ อ, อรอยเท้าเสือที่เหยียบไว้แต่เมื่อไรไม่ทราบอย่างถนัดตา ด้รู้สึกสถานกลัวขึ้นมาในขณะนั้นแทบเป็นบ้าไปได้จนลืมโอวาทท่านอาจารย์ที่สอนไว้และลืมความกล้าหาญที่เคยออกแสงแพราวพาวขณะที่นั่งฟังเทศอยู่วัดน้องเพือเสียโดยสิ้นเชิงมีแต่ความกลัวเต็มหัวใจพยายามแก้ความกลัวด้วยวิธีต่างๆก็ไม่หายต้องเดินไปกรบปล่อยเสือด้วยฝ่าเท้าออกจนหมดก็ยังไม่หายกลัวแต่มีเบาลงเล็กน้อยที่มองไปไม่เห็นรอยมันอีก น่าแต่ขณะที่เหลือบมองลงไปเจอรอยเสือจนกระทั่งกลางคืนตลอดรุ่งยังแก้กันไม่ตกแม้กลางวันก็ยังกลัวยิ่งตกกลางคืนยิ่งเพิ่มความกลัวนักเข้าราวกับบริเวณที่พักนั้นเต็มไปด้วยเสือทั้งสิน้นจากนั้นไข่าม า, ราเรียชนิดจับสรรันก็เริ่มกันเริ่มขึ้นอีกเท่ากับตกนรกทั้งเป็นอยู่ในถ้ํานั้นไม่มีความสบายกายสบายใจเอาเลยแต่หน้าชมเชยท่านที่ใจแข็งแกร่ง ไม่ยอมลดละความพยายามทรมานตนให้หายกลัวด้วยวายวิธีต่างๆตลอดไปไข้ขกํำเริร่มรุนแรงขึ้นตามๆกันหรือจะเป็นเพราะทาบันดาลข้อสุดจะฆ่าถึงทั้งทุกข์เพราะกลัวเสือทั้งทุกข์เพราะไข้กำเริบจนไม่เป็นตัวของตัวแทบเป็นบ้าไปได้ในเวลานั้นนานๆระลึกถึงโอวาทและพระคุณของท่านอาจารย์มั่นไดทีหนึ่ง หัวใจที่เต็มไปด้วยไฟคือความทุกข์ทรมานก็สงบลงได้พักหนึ่งตอนไข่กำเริบรุนแรงเป็นเหตุให้ท่านระลึกสละตายขึ้นมาได้ก็รีบถามตัวเองในขณะนั้นว่าก่อนจะมาอยู่ที่นี่ก็ได้คิดอย่างเต็มใจแล้วว่าจะมาสละตายเวลาท่านอาจารย์ถามว่าจะไปไหนได้ตอบท่านว่าจะไปตายในถ้ำ น, นั้นแล้วก็มาด้วยความอาถรรพ์ต่อความตายราวกับจะขอเหินเดินฟ้าได้ แต่เมื่อมาถึงถ้ำอันเป็นที่ตายจริงๆแล้วทำไมจึงกลับไม่อยากตายและมีความกลัวตายจนตั้งตัวไม่ติดใจเราคนเดียวกันมิได้ไปเที่ยวหาเอาหัวใจคนขี้ขลาดวาดกลัวของผู้ใดและของสัตว์ตัวใดมาสมสัยเข้าพอจะกลายเป็นผู้ใหม่และสัตว์ตัวใหม่ที่ขี้คลาดที่กลัวขึ้นมาในเราคนเดียวกันแล้วทำไมเวลาอยู่โน้นเป็นอย่างหนึ่งบทมาอยู่ที่นี้กลับเป็นอีกอย่างหนึ่งเราจะเอาอย่างไรกันแน่ รีตัดสินใจเดี๋ยวนี้อย่าชักช้าเอาอย่างนี้ดีไหมเราจะตัดสินใจให้คือหนึ่งออกไปนั่งภาวนาอยู่ริมเหวถ้าเผลอสติก็ให้มันตกลงไปตาอยู่ในเหวให้แรงก า, มาแมลงวันมาจัดการศพให้เลยไม่ต้องห้ยุงยากกับชาวบ้านเพราะเราเป็นพระไม่เป็นท่าจะให้ใครมาแตะต้องกายของพระไม่เป็นท่าให้แปดเปื้อนเก่าแล้วกลายเป็นคนไม่เป็นท่าไปหลายคนเลยสอง ออกไปนั่งภาวนาอยู่ทางขึ้นถ้ำเสือเวลาเสือออกไปเที่ยวหากินอย่าให้มันต้องลำบากจะได้โดดคาบคอพระไม่เป็นท่าองค์นี้ไปเป็นอาหารว่างของมันในคืนนี้จะเอาข้อไหนให้เลือกเอาเดี๋ยวนี้อย่าเนิ่นนานเราจะพาจัดการเดี๋ยวนี้ว่าแล้วก็ออกจากมง์มายืนอยู่หน้าถ้ำขณะหนึ่งรอการตัดสินใจสุดท้ายก็ตกลงเอาตามข้อที่หนึ่ง คือออกไปนั่งภาวนาอยู่ริมเหวอย่างมินเมที่สุดถ้าเผลอก็ต้องมอบศพให้สัตว์จำพวกที่พูดฝากไว้แล้วนั้นแน่นอนแล้วก็เตรียมนั่งภาวนาหันหน้าไปทางเหว ล, ลึกหันหลังออกมาทางที่เสือเดินขึ้นธรรมบริกรรมภาวนาด้วยพุทโธกับคำว่าถ้าประมาท ต, ต้องตายในบัดเดียวใจไม่ชกักช้าขณะที่น่งบริกรรมภาวนาได้ทาความสังเกตดูใจว่า จะกลัวตกเหวตายหรือจะกลัวเสือกินตายปรากฏว่ากลัวตกเหวตายเป็นกําลังและตั้งสติไม่ได้พลังเผอจากคำบริกรรมด้วยธรรมสองบทนั้นตามแต่จิตจะระลึกได้บทใดเวลาใดพอภาวนาตั้งท่าตาอยู่ริมเหวลึกไม่นานเลยจิตก็รวมสงบตัวลงอย่างรวดเร็วและลงถึงฐานของอัปปนาสมาธิเลยรวดเดียวดับเงียบไปเลยในขณะนั้น หมดความกังวลวุ่นวายที่เป็นไฟเผาใจเหลือแต่เจ้าของของผู้กลัวตายคือจิตดวงเดียวเท่านั้นทรงตัวอยู่อย่างอัศจรรย์ความกลัวตายได้หายไปโดยสิ้นเชิงนับแต่เวลาสีทุ่งจนถึงสี่โมงเช้าของวันรุ่งขึ้นจิตจึงได้ถอนขึ้นมามองดูตะ ว, วันขึ้นเครื่องฟ้าแล้ววันนั้นเลยไม่ต้องลงไปบินถบาทและไม่ฉันจังหันด้วย พอจิตถอนขึ้นมาความกลัวไม่สราบหายหน้าไปไหนหมดปรากฏแต่ความอาถรรพ์กับความอัศจรรย์ที่ไม่เคยปรากฏมาเท่านั้นไข้ก็ถอนหายขาดในคืนวันนั้นไม่มีอีกต่อไปเลยท่านว่าธรรมโอสถรักษาได้ทั้งโรคมาลาเรียทั้งโรคขี้กลัวเสือนับแต่วันนั้นทั้งไข้ทั้งความกลัวไม่มีมารบพวนร่างกายและจิตใจอีกเลยอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ ไปที่ไหนก็ไปได้อย่างสบายหาย ห, ห่วงเสือจะมาหรือไม่มาเลยไม่สนใจคิดนอกจากคิดอยากให้เสือมาบ้านจะได้ทดลองจิต ด, ด้วยวิธีเดินเข้าไปหาเสือโดยไม่มีความสะทกสะท้านแม้แต่น้อยเลยเท่านั้นทั้งได้ระลึกถึงพระคุณท่านอาจารย์อย่างเทิดทูนบนศรีรษะอยู่ตลอดเวลาว่าเราได้เห็นฤทธิ์ของกิเลส ต, ตัวกลั ว, ล ว, ลวเพราะท่านสอนพอท่านจับเคล็ดของจิตได้แล้ว ท่านฝึกทรมาณจิต ด, ด้วยวิธีนั้นตลอดมาคือชอบเที่ยวแสวงหาที่น่ากลัวมากเป็นที่นั่งสมาธิภาวนาแม้ท่านพักอยู่ในถ้ำ น, นั้นนับแต่วันนั้นมาแล้วก็ฝึกแบบนั้นตลอดไปโดยเที่ยวหานั่งภาวนาอยู่ในที่ต่างๆเช่นทางเสือขึ้นถ้ำบ้างทางเสือเคยเดินผ่านไปมาบ้างขณะที่นั่งภาวนาในที่พักท่านก็ไม่ลดมุ้งลงโดยความหมายว่าถ้าลดมุ้งลงจิตจะไม่นึกลัวเสือ แล้วจะไม่รวมสงบลงได้อย่างใจหมายหรือนั่งภาวนาอยู่หน้าถ้ำบ้างนอกม้งบ้างตามแต่วิธีที่เห็นว่าจิตจะรวมลงได้เร็วและสนิทเต็มฐานของสมาธิคืนหนึ่งจิตไม่ยอมสงบลงได้แม้จะนั่งภาวนานานเพียงไรท่านเลยนึกถึงเสือโครง่งตัวที่เคยขึ้นขึ้นลงลงและไปมาอยู่เสมอในแถบบริเวณนั้นว่าวันนี้เสือตัวนี้ไปไหนกันนะมาช่วยให้จิตเราภาวนารวมสงบลงบ้างเป็นไร ถ้าเสือมามันไม่ได้ภาวนายากเกินอะไรเลยจิตคอยแต่จะรวมลงท่าเดียวหลังจากท่านคิดรำพึงถึงเสือโคร่งคู่มิตรไม่นานนักเราครึ่งชั่วโมงก็ได้ยินบาดย่างเท้าของเสือตัวนั้นเดินขึ้นมาบนถ้าอย่างเป็นจังหวะจะควรจริงๆเวลานั้นราวสองนาฬิกาพอได้ยินเสียงเสือเดินขึ้นมาท่านก็เตือนจิตว่าบันนี้เสือขึ้นมาแล้วนะ จะโมเพลินอยู่นี้ไม่กลัวเสือคาบคอไปกินหรือจะลงหาที่ซ่อนตัวเพื่อหลบภัยก็กรีบลงมาสิถ้ามาอยากเป็นอาหารเสือพอคิดเท่านั้นก็กําหนดจิตสมมติเอาเสือตัวกําลังเดินมานั้นโดดคาบที่คอของตนปรากฏว่าพอกําหนดเอาเสือโดดมาคาบคอเท่านั้นจิต ก, ก็รวมลงสู่สมาธิอย่างรวดเร็วและถึงฐานอัปปนาสมาธิในขณะนั้น หายเงียบไปเลยทั้งเสือทั้งคนในความหมายยังเหลือแต่ความสงบ ร, ราบคาบเป็นเอกจิตเอกธรรมที่เต็มด้วยความอัศจรรย์สุดจะาดในเวลานั้นรับใจเวลาจิตรวมสงบลงเวลาสองนาฬิกาจนถึงสิบโมงเชา้าคือสี่โมงเชา้าจึงถอนขึ้นมารวมเป็นเวลาแปดชั่วโมงเต็มตอนออกจากสมาธิมองดูตะวันเครื่องฟ้าเลยต้องงดไม่ไปบิณฑบาตและไม่ฉันในวันนั้น ขณะที่จิตรวมลงอย่างเต็มที่ถึงฐานของอัปปนาสมาธิตามจริตนิสัยของจิตที่รวมลงอย่างรวดเร็วเหมือนคนตกเหวตกบ่อนนั้นต้องดับอายจตนาภายในไม่รับทราบกับอายจตนะภายนอกโดยประการทั้งปวงในเวลานั้นจิตของท่านองค์นี้ก็มีนิสัยเช่นนั้นฉะนั้นเวลารวมสงบลงเต็มที่แล้วจึงหมดความรู้สึกกับสิ่งภายนอกตอนออกจากสมาธิแล้วจึงเดินไปดูตรงที่ได้ยินเสียงเสือมา เป็นเสือมาจริงๆหรือหูมันหลอกตังหาเวลาไปดูก็เห็นรอยเสือโคร่งใหญ่คู่มิตรตัวนั้นเดินผ่านมาด้านหลังท่านจริงๆห่างกันประมาณสองวามันเดินขึ้นไปถ้าที่อยู่ประจาของมันโดยไม่ได้สนใจเดินวกเวียนดูคู่มิตรของมันเลยจึงน่าแปลกและอัศจรรย์อยู่มากท่านว่าพอจิตรวมลงเท่านั้นเรื่องทั้งหลายก็ดับไปหมดในขณะนั้นจนกว่าจิตจะถอนขึ้นมา จึงจะมีสิ่งมาเกี่ยวข้องการฝึ ก, กจิตโดยลําพังโดยไม่มีเหตุมาบังคับรวมสงบได้ยากไม่เหมือนมีเหตุอันตรายมาเกี่ยวข้องในเวลานั้นซึ่งรวมได้เร็วที่สุดชั่ววินาทีเดียวเท่านั้นก็ลงถึงที่เลยไม่ชักช้าฉะนั้นผมจึงชอบไปเที่ยวสแสวงหาอยู่ในที่ก ล, กลัวกลัวสะดวกแค่การฝึ ก, กจิตดีมากไม่อยากอยู่ในที่ที่เป็นป่าเป็นเขาหรือถ้ำธรรมดาแต่ต้องเป็นป่าเสือเขาที่มีเสือ หรือถ้ำที่มีเสืออย่างนั้นถูกกับจริตของผมซึ่งเป็นคนหยาบดังที่เป็นมานี่แหลผมจึงจำต้องชอบอยู่ในที่เช่นนั้นมีแปลกอยู่ตอนหนึ่งที่ผมพักอยู่ถ้ำนั้นนอกจากกินได้รับความสงบตามความมุ่งหมายแล้วยังมีความรู้ปรแปลกๆเกี่ยวกับพวกรุกกรทและคนตายได้อีกบางคืนมีรุกรทเข้ามาหาตอนนี้ขอเรียนเพียงเท่านี้ผู้เขียน และเวลาคนตายในบ้านต้องทราบจนได้ไม่ทราบว่ามีอะไรมาบอกแต่ทราบขึ้นภายในใจเองและแน่ทุกครั้งเสีย ด, ด้วยถ้าจะว่าความรู้โกหกก็ไม่กล้าตำหนิเราพักอยู่ในถ้ำนั้นก็อยู่ห่างไกลาจากหมู่บ้านตั้งหลายกิโลเมตรทางร่วม200สองร้อยเซนเขายังมานิมนต์ไปมาธิกาบางสกุลคนตายจนได้ซึ่งเป็นการลำบากแกเรามากพอคนในบ้านตายต้องทราบแล้วว่า พ่งนี้ต้องเดินบุกป่าฝ่าดงไปป่าชา้าอีกแล้วและเขาก็มารบกวนจริงๆด้วยบอกเขาเขาก็ไม่ฟังโดยให้เหตุผลว่าพระหายากจึงต้องมารบกวนท่านนึกว่าโปรดสัต์อบุนเถิดดังนี้เราก็จำต้องไปเพราะความเห็นใจและสงสารถ้าเวลาอุทาหารซึ่งเป็นเวลาที่ต้องเร่งความเพียรอย่างยิ่งเมื่ออยากให้เรื่งใดๆมาควรใจแต่ก็ต้องมีจนได้เธอว่า พักอยู่ที่ถ้านั้นได้กำลังใจดีมากโดยอาศัยเสือคู่มิตัวนั้นช่วยพยุงจิตให้เสมอมาซึ่งเว้นเพียงคืนหนึ่งหรือสองคืนมันก็ขึ้นหรือลงมาเพื่อเที่ยวหากินตามภาษาสัตว์ที่มีปากมีท้องโดยไม่สนใจกับเราเลยทั้งทงที่มันเดินผ่านหลังเราไปมาทุกครั้งที่ออกหากินเพราะทางออกมีเพียงเท่านั้นไม่ทราบจะให้มันไปที่ไหนนิสัยเธอองค์นี้แปลกอยู่บ้าง ที่เวลากลางคืนดึกดเดก็ออกจากถ้าไปเที่ยวนั่งภาวนาอยู่ตามหินดานบนภูเขาอย่างไม่สนใจกับสัตว์เสืออะไรเลยและชอบเที่ยวไปองค์เดียวเป็นนิสัยที่เขียนเรื่องเธอองค์นี้แทรกลงบ้างก็โดยเห็นว่าพอเป็นคติอยู่บ้างเป็นบางตอนที่เป็นคนเอาจริงเอาจังจนเห็นข้อเท็จจริงจากใจดวงพยศและสามารถดัดกระลงได้สิ่งที่เคยเห็นว่าเป็นภัยก็กลับถือมาเป็นมิตร ในความเพียรได้เช่นเือเป็นตนซึ่งเป็นศาสตร์ที่ไม่น่าไว้ใจได้เลยยังยึดเอามาเป็นเครื่องปลุกใจทางความเพียรได้จนเห็นผลประจักษ์ใจท่านอาจารย์มั่นพักอยู่ที่วัดน้องผือด้วยความผาสุกพระธุดงที่ไปอาศัยร่วมเงาท่านก็ปรากฏว่าได้กำลังจิตใจกันมากแม้จะมีจำนวนยี่สิบถึงสาสิบองค์ในพรรษาต่างก็ตั้งใจปฏิบัตินาต่อนาทีของตนของตน ไม่มีเรื่องราวที่น่าให้ท่นหนักใจมีความสามครีกลมกลืนกันดีมากร้ากับอวัยวะอันเดียวกันตอนออกบินทบาตรู้สึกน่าดูมากเดินกันเป็นแถวยาวเหยียดไปตลอดสายทางชาวบ้านจัดที่นั่งเป็นม้ายาวไว้สำหรับประสงค์ท่า น, นังอันโมทนาทานหลังจากใส่บาสเสร็จแล้วท่านฉันรวมที่โรงชั้นแห่งเดียวกันโดยนั่งเรียงแถวกันตามลำดับพรรษา เมื่อเสร็จแล้วต่างองค์ต่างล้างและเช็ดบาดใสถลกนำไปเก็บไว้เรียบร้อยแล้วต่างองค์เข้าหาทางจงกรมในป่ากว้างๆติดกับวัดทำความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิตามตามอัธยาศัยจนบ่ายสี่โมงเย็นถึงเวลาปัดกวาดลานวัดต่างก็ทยอยกันออกมาจากที่ทงความเพียรของตนของต น, งตนพร้อมกันปัดกวาดลานวัดเสร็จแล้วขนน้าขึ้นใสตุ่มใสหายน้าฉันน้าล้างเท้า ล้างบาทและส่งน้ําหลังจากนั้นต่างก็เข้าหาทางจงกรมทำความเพียรตามเคยถ้าไม่มีการประชุมอบรมก็ทําความเพียรต่อไปตามอธัธยาศัยจนกว่าจะถึงเวลาพักผ่นปกติเจวันท่านจัดให้มีการประชุมครั้งหนึ่งแต่ผู้ประสงค์จะไปศึกษาทำเป็นพิเศษกับท่านก็ได้โดยไม่ต้องรอจนถึงวันประชุมหรือผู้มีความขัดข้องจะเรียนถามปัญหาธรรมกับท่านก็ได้ตามโอกาสที่ท่านว่าง เช่นตอนหลังจังหันตอนบ่ายตอนราวห้าโมงและตอนสองทุ่มกลางคืนเวลาท่านสนทนาหรือแก้ปัญหาทำกันตอนกลางคืนเงียบเงียบรู้สึกน่าฟังมากเพราะมีปัญหาแปลกๆจากบรรดาเิษซึ่งมาจากที่ต่างๆที่ตนทักบาเพ็ญเป็นปัญหาเกี่ยวกับธรรมภายในบ้านเกี่ยวกับสิ่งภายนอกเช่นพวกกายทิบ้างฟังแล้วทําให้เปพลินๆ อ, อยู่ภายในไม่อยากให้จบสิ้นลงง่ายๆ ทั้งเป็นคติทั้งเป็นอุบายแก้ใจในขณะนั้นเพราะผู้มาศึกษากับท่านมีภูมิธรรมทางภายในเหลื่อมล้ำตามสูงต่างกันเป็นเรไรไปและมีความรู้ปรแปลกๆตามจริตนิสัยมาเล่าถวายท่านจึงทําให้เกิดความรื่นเริงใจไปกับปัญหาธรรมนั้นๆไม่มีสิ้นสุดเวลามีโอกาสท่านก็เล่านิทานที่เป็นคติให้ฟังบ้างเล่าเรื่องความเป็นมาของท่านในชาติปัจจุบันแต่สมัยเป็นฆราวาสจนได้บวชเป็นพระ เป็นเนนให้ฟังบ้านบางเรื่องก็น่าขบขันน่าหัวเราะบางเรื่องก็น่าสงสารท่านและน่าอัศจรรย์เรื่องของท่านซึ่งมีมากมายหลายเรื่องฉะนั้นการอยู่กับครูบาอาจารย์นานๆจึงทำให้จริตนิสัยของผู้ไปศึกษามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางดีตามท่านวันละเล็กละน้อยทั้งภายนอกภายในจนกลมกลืนกับนิสัยท่านตามควรแก่ฐานะของตนทั้งมีความปลอดภัยมากมีทางเจริญมากกว่าทางเสื่อมเสีย ทำค่อยซึมทราบข้าสู่ใจโดยลำดับเพราะการเห็นการได้ยินได้ฟังอยู่เสมอความสำรวมระวังอันเป็นทางส่งเสริมสติปัญญาให้มีกำลังก็มากกว่าปกติเพราะความเกรงกลัวท่านเป็นสาเหตุไม่ให้นอนใจต้องระวังกายระวังใจยอยู่รอบด้านแม้เะ่นนั้นท่านยังจับเอาประเทศให้เราและหมู่คณะฟังจนได้ซึ่งบางเรื่องน่าอับอายหมู่คณะแต่ก็ยอมทนเอาเพราะเราโง่ไม่รอบคอบต่อเรื่องของตัว เวลาอยู่กับท่านมีความเย็นกายเย็นใจเจอด้วยความปิติอย่างบอกไม่ถูกแต่ถ้าใจไม่เป็นธรรมก็ให้ผลตรงข้ามคือเกิดความรุ่มร้อนไปทุกเิริยาบทเพราะความคิดผิดของตัวในความรู้สึกของตนเป็นอย่างนี้สำหรับท่านผู้อื่นก็ไม่อาจทราบได้เรามันเป็นคนหยาบต้องอาศัยท่านคอยสับคอยเขกให้อยู่เสมอจึงพอมีลมหายใจสื่อต่อกันไปได้กิเลสตัณหามาแย่งเอาไปกินเสียหมด ยิ่งเวลาท่านเล่าเรื่องจิต ท, ท่านในเวลาบำเพ็ญให้ฟังเป็นระยะระยะก็ยิ่งเพิ่มกำลังใจมากขึ้นเราขับเจะาหอเหินเดินเมฆบนอากาศได้ประกฏว่ากายเบาใจเบายิ่งกว่าสัมฤีแต่เวลาไปทำความเพียรเข้าจริงๆให้สมขับใจที่เจะาหอรออยู่ขณะนั้นแต่กลับกลายเป็นเหมือนลากภูเขาทั้งโลกทั้งหนักทั้งฝืดซึ่งน้าโมโหแทบมุดดินลงได้อยู่ใต้บีพบ ไม่อยากให้ใครเห็นหน้าเลยพอดีกับจิตที่หยาบคายร้ายเลวอเอาทปจริงๆไม่ยอมฟังอะไรกับใครเอาง่ายๆนี่เขียนตามความหยาบความหนาของตัวให้ทนายอ่านบ้างเพื่อทราบความจมดิ่งของใจที่ถูกบรรจุเครื่องทําลายและกดทวงไว้อย่างอัดแน่นว่าเป็นจิตที่แสนจะฉุดลากและฝึกทรมานยากทําไมเอาจริงๆกับมันต้องนับวันจะพาเจ้าของจมดิ่งลงสู่ความต่ำทรามได้อย่างไม่เลือกการสถานที่และเพศวัยเลย ท่านผู้พยายามฝึ ก, กจิตดวงแสนพยศมาประจำกำเนิดพบชาติให้หายพยศดำรงตนอยู่โดยอิสระจิได้จึงเป็นบุคคลที่น่ากราบไหว้บูชาอย่างยิ่งดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกเป็นตัวอย่างสมัยปัจจุบันผู้ตามความสนิทใจของผู้เขียนก็คือพระอาจารย์มั่นที่พวกเรากำลังอ่านประวัติท่านอยู่เวลานี้ที่เป็นผู้หนึ่งในบรรดาปฏิมสาวกของพระพุทธองค์ ท่านเป็นผู้อาถารชฌานช า, ชายทางข้อวัดปฏิบัติเครื่องดำเนินเมื่อยอมลดย่อนผ่อนคลายไปตามอำนาจฝ่ายธรรมตลอดมาเม้เก้าเข้าวัยชาราควรจะอยู่สบายตามวิบากขันไม่ท้องขวนขวายกับกิจการภายในคือสมณะธรรมทางสมาธิภาวนาแต่การเดินจงกรมภาวนาตามเวลาที่เคยทำมานั้นพระหนุ่มหน่มยังสู้ไม่ได้และกิจภายนอกเกี่ยวกับการอบรมสั่งสอนบรรดาศิษย์ ท่านก็อนุเคราะห์ด้วยจิตเมตตาเส ม, มเอามาไม่เคยทอดอาลัยการเทศอบรมโดยมากท่านมักเทศไปตามนิสัยที่เคยเด็ดเดี่ยวมาแล้วไม่ค่อยทิ้งลวดลายของนักต่อสู้ตลอดมาคือเทศเป็นเชิงปลุกใจผู้ฟังให้มีความอาจฐานร่าเริงในปฏิปทาเพื่อแดน้นทุกข์เป็นส่วนมากกว่าจะเทศอนุโลมอันเป็นการกล่อมใจของคนที่มีนิสัยอ่อนแอประจาสนานอยู่แล้ว ให้เคลิมหลับไปในขณะที่ฟังและวาระต่อไปพระอาจารย์มัน่นท่านเป็นผู้เทิ ด, ดทูลศาสนธรรมไว้ได้ทั้งทางประญาติปฏิบัติและปฏิเวทธรรมเต็มภูมิที่สมัยสาวกหายากเฉพาะ อ, อย่างยิ่งทุดงขวัสิบสามข้อที่แทบจะขาดความสนใจในวงพุทธบริษัทอยู่เสมอมาไม่ค่อยมีผู้ฟื้นฟูขึ้นมาปฏิบัติกันให้เป็นเนื้อเป็นหนังบ้างเหมือนธรรมอื่น ที่ธุดงเหล่านี้ปรากฏเด่นในสายตาและเกิดความสนใจปฏิบัติกันในวงพระธุดงทั้งหลายสมัยปัจจุบันก็เพราะท่านอาจารย์เสาวท่านอาจารย์มั่นเป็นผู้พาดำเนินอย่างเอาจริงตลอดมาในภาคอีสานธุดงทั้ง13ข้อนี้ท่านอาจารย์ทั้งสองเคยปฏิบัติมาแทบทุกข้อตามสถานที่และโอกาสเป็นแต่เพียงไม่ได้ปฏิบัติเป็นประจำเหมือนธุดงข้อที่ระ บ, บุไว้ในประวัติท่านซึ่งเขียนผ่านมาแล้วเท่านั้น คือป่าช้าท่านก็เคยอยู่มาจนจำเจอโพกาศท่านก็เคยอยู่มาโคนไม้ท่านก็เคยอยู่มาจนเคยชินที่ได้เห็นพระธุดงค์ทั้งภาคอีสานซึ่งเป็นสายของท่านอาจารย์ทั้งสองปฏิบัติกันมาก็ล้วนดำเนินตามที่ท่านพาดำเนินให้เห็นร่องรอยมาแล้วทั้งนั้นท่านอาจารย์สาวท่านอาจารย์มั่นท่านฉลาดแหลมคมมากรู้ความสาคัญของธุดงค์ทั้ง13าข้อว่า เป็นเครื่องมือปิดช่องทางออกแห่งกิเลสของพระธุดงได้ดีมากเพราะถ้ า, ถาไม่มีธุดงเหล่านี้ช่วยปิดช่องไว้บ้างกิเลสของพระธุดงที่ศักิ์แต่ชื่อก็รู้สึกจะเพ่นพ่านเอามากและอาจจะทำความรำคาญแก่ประสาทของผู้อื่นพอดูแต่พระธุดงที่มีธรรมเหล่านี้ช่วยบ้างก็พอทำให้เบาใจแก่ตัวเองและผู้อื่นจะทนดูได้ไม่สแสลงตาสแสลงใจจนเกินไปธุดงแต่ละข้อ รู้สึกเป็นธรรมกระสิบใจได้ดีไม่เผลอตัวไปมากและไม่เผลอตัวพอจิตคิดไปในทางผิดซึ่งเป็นข้าสึกกับทุดงข้อใดใจกลับรู้สึกได้ในทุนในทุดงข้อนั้นทันทีแล้วทำความระวังและแก้ไขตนต่อไปทุดงเป็นธรรมละเอียดละอ่อมากและมีความหมายอย่างเต็มตัวทุกข้อไปทั้งสามารถแก้กิเลสในหัวใจของสัตว์ได้โดยสิ้นเชิงด้วยทุดงข้อนั้นๆอย่างไม่มีปัญหา ขอแต่ผู้ปฏิบัติคิดให้ถึงความจริงของทุดงข้อ น, นั้นๆแล้วนํามาปฏิบัติต่อตอนเองด้วยดีเท่านั้นจะเห็นว่ากิเลสทุกประเภทอยู่ในข่ายของทุดงเหล่านั้นจะเป็นธรรมปราบปรามให้สิ้นซากไปทั้งสิ้นไม่มีกิเลสตัวใดจะเหนืออํานาจทุดงไปได้เท่าที่กิเลสไม่ค่อยกลัวเรานักก็เพราะเราโกลัวทุดงจะทําความลําบากให้แก่ตนที่ปฏิบัติตามส่วนกิเลสจะทําความลําบากแก่เราเพียงไร เมื่อไม่มีทุดงค์ทเป็นเครื่องปราบปรามนั้นรู้สึกจะเป็นช่องโหว่ของตนจึงเป็นช่องทางให้เผลอตัวไปตำนิธุดงว่าปฏิบัติยากเสียบ้างหรือบางหัวใจอาจคิดไปว่าธุดงค์ลาสมัยเสียบ้างก็ไม่อาจทราบได้ในขณะที่ความคิดกลับเป็นข้าสึกแก่ตนกิเลส จ, จึงได้รับความนิยมนักถืออยู่อย่างลึกลับโดยผู้ชมเชยก็ไม่อาจทราบได้แต่ผลของมันที่เกิดจากการส่งเสริมชมเชย ผลิตออกมาให้โลกได้รับสวยนั้นเป็นสิ่งเปิดเผยอยู่ตลอดเวลาแท่พูดได้ว่าเป็นอากาลิโกการปฏิบัติตามทุ้ดงไม่ว่าอ้อใดย่อมเป็นความสง่างามน่าดูทั้งเป็นผู้เลี้ยงง่ายกินง่ายนอนง่ายเครื่องใช้สอยของผู้มีทุดงอยู่ในใจบ้านย่อมถือเป็นความสบายไปตลอดสายเป็นผู้เบากายเบาใจไม่พรุงพลังทั้งทา ง, ทางอารมณ์และเครื่องเป็นอยู่ต่างๆ ท, ทุดงเหล่านี้ แม้ฆราวาสจะเลือกนําไปใช้ในบางข้อเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนก็ยอมได้เช่นเดียวกับพระเพราะกิเลสของฆราวาสกับกิเลสของพระมันเป็นประเภทเดียวกันทุดงเป็นธรรมแก้กิเลสจึงควรนฟฟรําไปปฏิบัติเพื่อแก้กิเลสได้เช่นเดียวกันตามฐานะและเพศของตนจำหน่วยทุดงเป็นคุณธรรมที่สูงอย่างลึกลับยากที่เราจะทราบได้ตามความจริงของทุดงแต่ละข้อ ผู้เขียนเองก็ตะเกียกตะกายเขียนไปแบบป่าๆตามนิสัยอย่างนั้นแหลไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในทุดงในทุดงเท่าที่ควรอะไรเลยแต่หัวใจมีก็เขียนสุ่มๆไปอย่างนั้นเองจึงขออภัยด้วยคุณสมบัติของทุดงทั้งหลายไม่อาจพรนานาให้จบสิ้นลงได้เพราะเป็นธรรมที่ละเอียดสุขุมมากทั้งสามารถทําให้ผู้รักใคร่ใฝ่ายใจปฏิบัติในทุดง สำเร็จได้ในคุณธรรมตั้งแต่ขั้นต่ำจนถึงขั้นอริยชนไม่นอกเหนือไปจากทุดงเหล่านี้เลยท่านอาจารย์มั่นเป็นอาจารย์ผู้นำบรรดาศิษย์พาดำเนินมาตลอดสายจนถึงวาระสุดท้ายหมดกําลังแล้วจึงปล่อยวางพร้อมกับสังขารที่ติดแนบกับองค์ท่านฉะนั้นทุดงขวัตจึงเป็นธรรมจาเป็นสําหรับผู้มุ่งชําระกิเลสทุกประเภทภายในใจให้สิ่งไปจะทอดทุระว่าทุดงไม่ใช่ธรรมจาเป็นเสียไม่ได้ แต่จะไม่ขออธิบายคุณสมบัติของทุดวงแต่และข้อว่ามีคุณค่าและความจําเป็นแก่เราอย่างไรบ้างกรุณาท่านผู้สนใจพิจารณาตีแผ่เอาเองอาจได้ความละเอียดและเกิดประโยชน์แก่ตัวท่านเองมากกว่าผู้อื่นอธิบายให้ฟังเสียอีกผู้เขียนเคยพิจารณาและเห็นผลมาบ้างตามประษานับแต่เริ่มออกปฏิบัติจนทุกวันนี้เท่าที่สามารถเพราะเห็นว่าเป็นธรรมจาเป็นประจําตัวตลอดมาและตลอดไป ท่านผู้มุ่งความสิ้นกิเลสทั้งประเภทที่หยาบโลนและประเภทที่ละเอียดสุดจึงไม่ควรมองข้ามทุดงไปโดยเห็นว่าไม่สามารถถอดถอนกิเลสได้ท่านพระอาจารย์มั่นเริ่มป่วยและเริ่มลาวัตวนเป็นครั้งสุดท้ายพอท่านจำภาษาวัดน้องผือปีที่สี่ผ่านไปแล้วตกหน้าแรงราวเดือนมีนาคมพศ2492ทางจันทรคติจำได้ว่าเป็นวันขึ้น 14เดือน4เป็นวันสังขารท่านเริ่มแสดงอาการไม่สนิทที่จะครองขันต่อไปดังที่เป็นมาแล้ว79ปีวันนั้นเป็นวันที่ท่านเริ่มป่วยอันเป็นสาเหตุลูกลามไปถึงจุดสุดท้ายของสังขารที่ครองทัวมาเป็นเวลานานวันนั้นได้แสดงความสั่นสะเทือนขึ้นมาแก่ขันทพันจกท่านและพระสงฆ์ในวงใกล้ชิดโดยเริ่มแรกมีไข้และไอผสมกันไม่มากนะัก มีอาการรุมๆไปแทบทั้งวันทั้งคืนไม่ค่อยมีเวลาสางนับแต่วันแรกเป็นท่านแสดงออกเป็นอาการผิดปกติที่น่าวิตกด้วยแล้วทำให้คนดีไม่น่าไว้ใจเลยองค์ท่านทราบอย่างประจักษ์ไม่มีทางสงสัยว่าไข้คราวนี้เป็นไข้ครั้งสุดท้ายไม่มีทางหายได้ด้วยวิธีและยาขนานใดๆทั้งสิน้นฉะนั้นท่านจึงพเพลียงให้บรรดาศิทธิทราบตั้งแต่เริ่มแรกเป็น แต่ไม่สนใจกับยูกยาอะไรเลยนอกจากแสดงอาการเป็นความรำคาญเวลามีผู้นำยาเข้าไปถวายให้ฉันเท่านั้นโดยบอกว่าไข้นี้มันเป็นไข่ของคนแก่ซึ่งหมดความสืบต่อใดๆอีกแล้วไม่ว่ายาขนาดใดจะมาใส่จะไม่มีวันหายมีเพียงลมหายใจที่รวันตายอยู่เท่านั้นเช่นเดียวกับไม้ที่ตายยืนต้นแม้จะรดน้ําลูนดินให้ฟื้น เพื่อผลิดอกออกใบก็ไม่มีทางเป็นไปได้รออยู่พอถึงวันคนลมลงจมดินของมันเท่านั้นไข่ที่เริ่มเป็นอยู่เวลานี้ก็เป็นไข่ประเภทนั้นนั่นแหลจะผิดทันอะไรเล่าผมได้พิจารณาประจักษ์ใจแล้วแต่ไข่ ย, ยังไม่เริ่มปรากฏนนฉะนั้นจึงได้เตือนหมู่เพื่อนเสมอว่าอย่าพาคนนนใจรีบเร่งทางความเพียรขณะที่ผมยังมีชีวิตอยู่ติดขัดอะไรจะได้ช่วยแก้ไขให้ทันกับเหตุการณ์อย่าให้ผิดพลาดและเสียเวลานาน ผมจะอยู่กับหมู่เพื่อนไปอีกไม่นานจะจากไปตามกฎของอนิจังที่เดินตามสังขารอยู่ทุกเวลาไม่ลดละอย่างไรก็ไม่เลยสามปีนี่เป็นคําที่เคยเตือนล่วงหน้ามาได้สามปีเข้านี้แล้วจะให้ผมเตือนอย่างไรอีกจะพูดให้เคลื่อนจากที่แน่ใจอยู่แล้วนี้ไปไม่ได้งานของวัฏจักรที่ทําบนร่างกายก จ, จิตใจของโคนลสัตว์เขาทําของเขาอยู่ทุกเวลานาทีนี้ก็เป็นงานครั้งสุดท้ายของเขาที่ทําอยู่บนร่างกายผม ซึ่งจบเสร็จสิ้นไปภายในไม่กี่เดือนนี้จะให้เขาเปลี่ยนแปลงงานของเขาอย่างไรได้ดังนี้อาการท่านนับแต่วันเริ่มเป็นมีต ท, ทรงกับสุดไปวันละเล็กละน้อยค่อยๆขยับไปโดยไม่สนใจกับยูกยาอะไรทั้งสิน้นเวลาถูกอาราธนาให้ท่านฉันยารู้สึกท่านแสดงความรำคาญอย่างเห็นได้ชัดทุกๆครั้งที่ขอรบกวนแต่ทนคนหมู่มากไม่ไหวเพราะคนนั้นว่ายานั้นดี คนนี้ก็ว่ายานี้ดีฉันแล้วหายใครฉันแล้วมีแต่หายกันจึงอยากขออาราธนาท่านอาจารย์ได้โปรดเมตตาบ้างจะได้หายและโปรดบรรดาลูกศริรษะโคหาไปนานๆาท่านเตือนเสมอว่ายาไม่เป็นประโยชน์กับไข้ของผมในครั้งนี้มีแต่ฟืนเท่านั้นจะเข้ากันได้สนิทท่านพูดห้ามเท่าไหร่ก็ยิ่งขอวิงวอนจึงได้ฉันให้เสียบ้างทีละนิดทีละหน่อย ตามคำขอร้องของคนหมู่มากพอไม่ให้เสียใจนักว่าท่านทอดอะไรในสังขารเกินไปเมื่อข่าวว่าท่านป่วยไปถึงไหนใครทราบก็มาถึงทางนั้นทั้งพระทั้งคารวะพากันลางหลายมาแทบทุกทิศ ท, ท, ทุกทางมิได้คานึงว่าทางไกลหรือใกล้หน้าแรงหรือหน้าฝนผู้คนหลางหลายเข้าไปเยี่ยมท่านยิ่งฝ่าฝนที่ทั้งตกทั้งพรมเสียอีกว่านหนองผืออยู่ในป่าและหุบเขา ทั้งห่างไกลาจากถนนใหญ่สายอุดรสกลราวห้าร้อยถึงหร้อยเซนมิได้สนใจว่าไกลและลำบากซึ่งโดยมากเดินกันด้วยเท้าเปล่าเข้าไปหาท่านนอกจากคนแก่เดินไม่ไหวก็ว่าจ้างล็อกเวียนเขาเข้าไปเฉพาะท่านเองชอบอยู่องเดียวเงียบๆตามอัตยาศัยแม้พระเนนก็ไม่อยากให้เข้าไปเกี่ยวข้องถ้าไม่จำเป็นจริงๆดังนั้นเมื่อมีผู้คนพระเนนเข้าไปเกี่ยวข้องมากๆ รู้สึกขัดกับอัธยาศัยที่ท่านไม่เคยดำเนินมาจึงไม่อยากเกี่ยวข้องกับเรื่องใดๆทั้งสิน้นเพียงพระเนนซึ่งเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดภายในวัดท่านยังไม่ประสงค์ให้เข้าไปเกี่ยวข้องเลยแต่ความจําเป็นมีก็จําต้องอนุโลมผ่อนผันเป็นบางการแม้เช่นนั้นก็จําต้องระมัดระวังกันอย่างมากขณะเข้าไปเกี่ยวข้องท่านด้วยกิจธุระจาเป็นไม่ให้เข้าไปแบบสุ่ม 4, สี่ซมหตลอดข้อว่าที่ควรทําถวายท่าน ในเวลาจําเป็นต้องจัดพระเนนองค์ที่เห็นสมควรไว้ใจได้เป็นผู้จัดทําถวายเป็นคร่าวๆไปสิ่งที่เกี่ยวกับท่านต้องมีพระผู้อวโสุและฉลาดพอควรเป็นผู้คอยควบคุมดูแลให้เห็นสมควรก่อนค่อยทําลงไปทุกกรณีเพราะท่านอาจารย์เป็นผู้รอบคอบและละเอียดมากตามปกตินิสัยผู้เข้าไปเกี่ยวข้องจึงควรได้รับการพิจารณากันพอสมควร เพื่อไม่ให้ขัดกับอัตยาสัยท่านซึ่งเป็นเวลาที่จำเป็นอย่างยิ่งเมื่อมีประชาชนพระเนนมาจากที่ต่างๆประสงค์จะเข้ากราบเยี่ยมท่านทางวัดต้องขอให้รออยู่ที่สมควรก่อนและมีพระผู้เคยปฏิบัติทางนี้เห็นเป็นการอันควรแล้วเข้าไปกราบเรียนให้ท่านทราบเมื่อท่านอนุญาตแล้วค่อยมาบอกให้เข้าไปและเมื่อมีพระในวัดองค์สมควร น, นาเข้าไปกราบท่าน มีอะไรท่านก็แสดงโปรดท่านเหล่านั้นตามอธัธยาศัยพอสมควรแล้วก็พากราบลาท่านออกมาการพาแขกเข้ากราบเยี่ยมท่านทางวัดได้ปฏิบัติอย่างนี้ตลอดมาแล้วพาเข้ากราบเยี่ยมเป็นค ร, คราวๆไปตามแต่แขกมีมากน้อยซึ่งมาในเวลาต่างกันเฉพาะพระอาจารย์ที่เคยเป็นลูกศิษย์ท่านมาแล้วและมีความสนิทกับท่านเป็นพิเศษก็เป็นเพียงไปกราบเรียนให้ท่านทราบว่าท่านอาจารย์นั้นจะมากราบเยี่ยม เมื่อท่านอนุญาตแล้วก็เข้ากราบเยี่ยมและสนทนาธรรมกันตามอัธยาศัยทั้งสองฝ่ายอาการป่วยท่านค่อยเป็นไปเรื่อยๆไม่ผ่าผผลรุนแรงแต่ไม่ค่อยเป็นปกติสุขได้ถ้าเป็นสงครามก็แบบสงครามใต้ดินค่อยขยับเข้าทีล ะ, ละน้อยจนกลายเป็นสงครามไปทั่วดินแดนและกลายเป็นแดนยึดครองไปทั่วพิภพไม่มีส่วนเหลือเลยพอท่านซึ่งเป็นจุดหัวใจของส่วนรวมเริ่มป่วยลงเท่านั้น มองดูพระเ น, นในวัดรู้สึกเศร้าหมองทางอาการไม่ค่อยแช่มชื่นเบิกบานเหมือนแต่ก่อนมองดูหน้าตากันก็มองแบบเศร้าๆไว้ไม่ผ่องใสาทางอาการตลอดการสนทนากาันก็ต้องยกเรื่องป่วยท่านอาจารย์ขึ้นสนทนาก่อนจะกระจายไปเรื่องอื่นๆแล้วก็ต้องมายุติกันที่เรื่องของท่านอีกแต่การให้อวาตสั่งสอนพระเ น, นท่านยังคงมีเมตตาอนุเคราะห์อยู่อย่างสม่ำเสมอมิได้ทอดทุระ เป็นแต่ไม่ได้ชี้แจงข้ออัดข้อทำให้ละเอียดละ อ, อ่ได้เต็มความเมตตาเหมือนแต่ก่อนเท่านั้นพออธิบายธรรมจบลงและชี้แจงจุดสงสัยของผู้เรียนถามเสร็จสิ้นลงแล้วก็สั่งให้เหลิกการไปประกอบความเพียรองค์ท่านเองก็เข้าพักผ่อนขณะที่ท่านแสดงธรรมปรากฏว่าไม่มีความไม่สบายแฝงอยู่เลยแสดงอย่าง ช, าชา้าช้านล่าเริงเสียงดังทั้งวาน ลักษณะอาการอาธานเหมือนคนไม่ป่วยเป็นอะไรเลยการเร่งและเน้นหนักในธรรมเพื่อผู้ฟังก็เน้นลงอย่างถึงใจจริงๆไม่มีความสะทกสะท้านใดๆปรากฏในเวลานั้นทุกอาการที่แสดงออกเหมือนท่านไม่ได้เป็นอะไรเลยพอจบการแสดงแล้วถึงจะทราบว่าอาการท่านอ่อนเพลียและต้องการพักผ่อนพอทราบอาการเช่นนั้นต่างก็รีบให้โอกาสท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย